เราก็ได้สวดมนต์ทำวัดเช้ากันเนาะในบทสวดมนต์ทำวัดเช้านี่ส่วนใหญ่นะก็ถือว่าให้เราเห็นความจริงของชีวิตเรานะให้เห็นว่าเรามีความเกิดขึ้นนะก็คือเห็นความทุกข์ต่างๆนะในความเกิดแก่เจ็บตายนะชาติเป็นทุกข์ขาความเกิดก็เป็นความทุกข์ มรน้ำไปทุกขังความตายก็เป็นความทุกข์การพัดภาคจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งเหล่านั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่อประธานขันทั้ง5้าก็เป็นตัวทุกข์อันนี้ก็คือให้เรารู้จักความทุกข์นั่นเองเนาะความทุกข์ก็มีอยู่2อย่างก็คือความทุกข์กายและความทุกข์ใจนี่แหละ ความทุกข์กายก็เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเราหนีจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้เลยนะทุกคนนี่ประสบกับสิ่งเหล่านี้มาตลอดนะนอกจากความความทุกข์ประจําสังขารในร่างกายเราแล้วเนี่ยก็มีความทุกข์ที่จอดมาต่างๆเนาะบางทีเรานั่งนานๆเราก็รู้สึกปวดเมื่อยนะ เดี๋ยก็ต้องลุกขึ้นมานเพื่อแก้ความทุกเหล่านั้ น, นไปเข้าห้องน้ําำเดี๋ยวเราหิวเราก็ไปทานอาหารอากาศร้อ น, อ า, า อ, นอากาศหนาวต่างๆก็ต้องแก้ทุกกันไปปวดหัวตัวร้อ น, นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นทุกข์ที่จรมาเราก็ต้องแก้ไปความทุกข์ทางกายนี้เรียกว่าจริงๆแล้วเราแก้ไขเด็ดขาดไม่ได้หรอก เพราะว่าเขาเกิดขึ้นแล้วนะฮะเขาก็เป็นไปตามภาวะของเขาแบบนั้นอยู่แล้วเราแก้ไขไม่ได้เนา ะ, ะเช่นเราปวดหัวตัวร้อนเราก็บอกว่ายาปวดหัวตัวร้อนก็ไม่ได้นะเราหิวก็ให้เขาหายหิวก็ไม่ได้ต้องอาศัยการรับประทานนะก็ต้องแก้ไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นความทุกข์ทางกายเนี่ยจริงๆแล้วแก้ไม่ได้นะเพียงแต่เราบรรเทาเท่านั้นเองนะความทุกข์อย่างหนึ่งก็คือความทุกข์ทางใจ ความทุกข์ทางใจนี้นะเป็นสิ่งที่แก้ไขได้นะเพราะฉนั้นพระลรหันที่ท่านบรรลุธรรมแล้วเนี่ยท่านจะมีความทุกข์ทางกายเท่านั้นส่วนความทุกข์ทางใจเนี่ยท่านจะไม่มีนะหรือจะมีน้อยมากสําหรับผู้ที่สามารถที่จะบรรลุธรรมแล้วจริงๆนะความทุกข์ทางใจนี้ท่านแทบจะหมดไปเลยนะหรือแม้แต่เรายังไม่บรรลุธรรมแต่ถ้าเราเข้าใจธรรม ความทุกข์ทางใจเราก็จะบรรเทาลงไปเรื่อยๆนะจนน้อยมากอาจจะหมดไปได้ในในที่สุดนะเพรา ะ, ะการเบิดธรรมนี้โดยประการสําคัญก็คือให้เรามาแก้ความทุกข์ทางใจนั่นเองเนาะความทุกข์ทางใจก็เกิดจากอารมณ์ต่างๆที่เราประสบอยู่นะอย่างเราทํางานนี่เราก็รู้นะบางทีเราก็มีความเครียดต่างๆจากการงานนะ มีความโกรธความขัดเคืองใจความน้อยใจความเสียใจความเหงาความกลัวความอิจฉาความหึงหวงความที่เราต้องการสิ่งที่เราอยากจะได้ก็ไม่ได้ในสิ่งนั้นนั่นแหละนีก็คือความทุกข์ทางใจนะความทุกข์ทางใจนี่ก็นำให้เราเนี่ยเกิดความกระสับกระส่ายเป็นอาการต่างๆนะ มีความไม่พอใจมีความหงุดหงิดต่างๆมากมายนะเราก็แก้ไม่ได้นะก็ไปหาทางแก้ทางอื่นนะบางคนก็ไปเที่ยวบ้างนะไปคุยกับเพื่อนฝูงนะหรือถ้าเป็นผู้ชายก็จะไปดื่มเหล้าสุบูลีต่างๆเราเนี่ยอันนี้ก็เรียกเป็นการแก้แต่ว่าจะงแก้ไม่ถูกทางนะมันก็ไม่ได้หายไปหรอกมันก็กลับมาใหม่นะแล้วก็กลับมาจะหนักกว่าเก่านะอ่า การกลับมาของความทุกข์ทางใจเนี่ยมันบางทีจะกลับมาหนักกว่าเก่านะยิ่งไม่มีทางออกก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะจนถึงระดับหนึ่งก็จะระเบิดขึ้นมาคุณนะทางเนี่ยก็เรียกว่าเรานะทุกคนมีความทุกข์อยู่นะแล้วถ้าเรายังมีความทุกข์อยู่เช่นนี้นะมันก็เป็นการที่เรียกว่านะชาติหน้าเราต้องทุกข์อีกนะมันไม่พน้นหรอกก็เรียกว่าเมื่อยังมีกิเลสในชาตินี้ ชาติหน้าก็ยังต้องมีกิเลสต่อไปนะเป็นสิ่งที่ว่านับภพนับชาติไม่ท้วนนะเพราะเราไม่ได้เกิดมาเพียงชาตินี้ชาติเดียวแต่เราเกิดมาแล้วนับภพนับชาติไม่ท้วนนะก็มาจากที่กิเลสเรานี่แหละนําให้เรามีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นนะมันเป็นเชื้อเพาะพันุ์ให้เราจะต้องทุกข์ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนะอย่างที่พระเจ้าได้ทรงตัดไปว่า เท่ากองกระดูที่เราเคยเกิดมาในแต่ละภพแต่ละชาตินี้มากองรวมกันก็จะเท่ากับเขาสินเอรุนะเท่าน้ําตาที่เราเคยหลังไหลในแต่ละชาตินี้นะในแต่ละชาติที่ผ่านมาก็จะเท่ากับนะมหาสมุทรนะหรือถ้าทําเอาข้าวในชมพูทวีปเนี่ยมาทําเป็นกรำกรมละสีนิ้วนะก็ยังน้อยกว่าภพบชาติที่เราเคยเกิดมา หรือผู้ที่ไม่เคยเกิดเป็นญาติพี่น้องกันนะไม่มีนะทุกคนเคยเกิดเป็นญาติพี่น้องกันมาแล้วทั้งนั้นพบพบชาตนี้ยาวเหยียดนะหาที่สิ้นสุดไม่ได้ก็คือการเป็นพบชาตนีนะ้เป็นสิ่งที่เรียกว่ามีกาว่าในพระไตรปิฎกนะไม่ได้พูดเองนะเป็นสิ่งที่กล่าวไว้อย่างมากมายนะในเรื่องของการที่ให้เราเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมในเรื่องเนไว้าตายเกิด ใ น, ในเรื่องของวัฏสงสารนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความทุกข์ที่ยาวไกลนะคือความทุกข์ในวัฏสงสารนั่นเองนะถึงว่าเราจะทําอย่างไรนะให้ภคชาลรลจะน้อยลงนะมันก็มาเกี่ยวกับปัจจุบันนี้นะว่าเราเราไปดับในอนาคตไม่ได้นะว่าชาติหน้าเราต้องน้อยลงนะหรือเราต้องไม่เกิดอีกแต่มันเป็นการกระทําในปัจจุบันนี้มากกว่านะเพราะถ้าในปัจจุบันนี้เรามีความทุกข์ ในชาตินี้เรายังมีความทุกข์เพราะนั้นเป็นสิ่งแน่นอนว่าชาติหน้าเราก็ต้องทุกข์ต่อนะแต่ถ้าในชาตินี้เราความทุกข์เราน้อยลงนะก็แสดงว่าชาตินานั้นเราอาจจะความทุกข์น้อยลงนะก็พูดยังไงว่าภพชาติเราสั้นลงนะแต่ถ้าในชาตินี้เราหมดความทุกข์แล้วนะอันนั้นก็เป็นหลักประกันอีกอย่างนึงว่าชาติหน้าเราก็ไม่ทุกข์ก็หมายความว่าภพชาติก็จบลงนะเพราะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ได้ในชาตินี้นะ ไม่ต้องไปรอชาติไหนๆนะไม่ต้องไปรอชาติหน้าแล้วค่อยหมดทุกข์แต่ว่าเราสามารถทำให้หมดทุกข์ในชาตินี้ได้ไหมนะการทำให้หมดทุกข์ในชาตินี้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากเพียงแต่เราเข้าใจนะเข้าใจหนทางที่จะออกจากความทุกข์ได้นั่นเองนะพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงตัดหนทางที่จะออกจากความทุกข์ไว้มากมายนะแต่มีหนทางหนึ่งที่ท่านบอกว่าเป็นหนทางเอกหรือเอกายโนมะโค นั่นก็คื อ, อสติปฐานสี่นะผู้ใดอผู้ใดปฏิบัติตามสติปฐานสี่นี้แล้วนะผู้นั้นก็จดเจอความทุกข์ได้น ะ, ะท่านพูดจนถึงถึงท่านว่าเมื่อปฏิบัติในสติปฐานสี่นี้แล้วนะอะก็จ ะ, ะได้บรรลุปเป็นพระอานาคามีในชาตินี้นะแต่ถ้า อ, อาจจะไม่เป็นปพระอานาคามีนะก็จะถึงเป็นพระอรหันต์ได้เลยนะ นะก็คือมีทางเป็นไปได้สองทางคือเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระนาคามีนีนะ้ถ้าไปบัติตามสติปฐาน4ี่นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีกล่าวไว้ในในพระสูตรนะคร น, นี้ขนทางเอกที่กล่าวนี้ก็มีว่าอย่างไรนะก็มีว่าในข้อมีอยู่สี่ข้อน่แยกเป็นสี่ข้อนะก็คือกายเวทนาจิตธรรมนะหรือกายานุปัสนาสติปฐาน เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิ ต, ตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคราวนี้ในข้อแรกนะที่ให้เราเข้าใจนะที่ยกยกขึ้นมาเป็นข้อแรกก็คือเรื่องกายานะหรือเรื่องกายนั่นเองนะเพราะเป็นสิ่งที่ใกล้กับเรามากที่สุดนะจริงๆก็ใกล้กับเราม า, มากทุกข้อนั่นแหละนะทุกข้อก็ใกล้ก็คืออยู่ในตัวนะเราทั้งหมดอยู่ในกายในใจเรานะ ขั้นที่ยก เ, เรื่องกายขึ้นมาก่อนเพราะมันเห็นได้ง่ายเป็นสิ mm ่ง hmm. เราเห็นได้ง่ายมากเริ่มตั้งแต่อข้อนะอาณาอาณาปานาสติ ป, ปะะัฏนภะก็คือให้เรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะลมหายใจนี่เป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะกนะ็ให้เรารู้ในสิ่งที่มีอยู่นี่แหละเป็นสิ่งที่ง่ายๆที่เรามองเห็นได้นะให้เรารู้จักกายในตัวนี้ก่อนก็คนะือหายใจเข้า สั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้นะะเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นการฝึกให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันะเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานะว่าขณะนี้เรากาลังทําอะไรอยู่ขณะนีนะ้เราหายใจอยู่ก็รู้ว่าหายใจอยู่นะเป็นการกลับมาสู่ตัวเองอยู่ในปัจจุบนนันนั่นเองนะเพราะฉนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะนะแต่ แต่มีอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าพูดที่จิตละเอียดในพอไม่เพียงพอนี่แหละก็จะอาจจะรู้แต่เมื่อมีความตั้งใจรู้มากเกินไปเมื่อมีความตั้งใจรู้มากเกินไปก็จะเกิดการมึนหัวขึ้นมานะเพราะว่าการที่จะรู้ลมหายใจนี่ไปตั้งใจไม่ได้นะพอตั้งใจปั๊บเนี่ยก็จะเริ่มผิดปกติจากลมหายใจที่เราหายใจปกติก็จะเริ่มผิดปกติพอผิดปกติเราก็อาจจะมีอาการท า, างกายคือความมึนหัวตามมา แต่ถ้าผู้ใดรู้เป็นธรรมชาติไม่เป็นไรนะรู้ไปเรื่อยๆการธรรมชาติไม่ตั้งใจก็สามารถทาได้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะต่อมาก็เป็นอเบอร์บับพระอีเรเบอบับพระก็ให้รู้อาการใหญ่นะก็คือการยืนเดินนั่งนอนยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนนะครั้งหนึ่งก็มีพราหมณ์ได้ถามพรทเจ้าบอกว่า พระพุทธองค์มีการปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เป็นเพื่อให้เข้าสู่โลกุตละธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าเรายืนเดินนั่งนอนเช่นนี้แหละก็คือการที่เราเป็นการปฏิบัติของเราเพื่อสู่โลกุตละธรรมพราหมณ์ก็หัวเราะเยอะเพราะว่าชาวบ้านเขาก็ยืนเดินนั่งนอนกันไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยพระองค์ทรงตัดว่า เรายืนก็นรู้ว่าเรายืนเราเดินก็นรู้เราเดินเรานั่งก็รู้เรานั่งเรานอนก็นรู้เรานอนนี่แหละก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านในสุดภาพก็เข้าใจนะว่าชาวบ้านเนี่ยไม่รู้หรอกว่ากําลังยืนเดินนั่งนอนแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยก็รู้ในอาการเหล่านั้นนะก็เลยเกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าเอออันนี้ก็เป็นหนทางสู่โลกุตละได้นั่นเองนะแล้วต่อมาก็เป็นนะสามัญชนญาประ ก็คืออาการกิริยาย่อยๆทั้งหลายนะเช่นผู้แขนเหยียดแขนอ่าก้มเงยนะเหลวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังอ่าใส่เสื้อผ้าทรงจีวรสังฆาตินะการขับพายต่างๆนะดื่มกินพูดคิดทั้งหลายก็ให้รู้ไปนะการย่อยทั้งหลายแหลนะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันเราอยู่แล้วนะ เพียงแต่ว่าเราจะรู้ไหมว่าขณะนี้เรากาลังมีอาการเช่นนั้นอยู่เช่นเราทานข้าวเรารู้ไหมว่ากําลังทานข้าวอยู่เราซักผ้าเรารู้ไหมว่ากําลังซักผ้าอยู่เรากวาดพื้นรู้ไหมว่ากําลังกวาดพื้นอยู่เราทําอะไรอยู่เรารู้ไหมว่าขณะนั้นกําลังทําอะไรอยู่ก็เหมือนกับที่เมื่อกี้พรามนั่นแหละพรามก็บอกว่ายืนเดินนั่งนอนนะชาวบ้านก็ทําอยู่ในสิ่งสิ่งนั้นแล้ว เพนั้นอาการกิริยาย่อยๆชาบ้านก็ทำอยู่เหมือนกันนะแต่ชาวบ้านเขาไม่รู้หรอกว่าขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่นะเขาทําอยู่เขาก็ไม่รู้ว่าขนาดนี้กําลังทําอะไรอยู่เช่นกินข้าวก็ไม่รู้กำลังกินอยู่กินไปก็เพลิดเพลินไปนะหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆนะอันนี้เขาเรียกว่าไม่รู้ว่ากาลังทําอะไรอยู่นะแต่ว่าพระเจ้าให้เรากลับมารู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะกำลังกินข้าวก็ให้รู้ว่ากําลังกินข้าวกําลัง อซักผ้าก็รู้ว่ากาลังซักผ้ากาลังกวาดพื้นก็รู้ว่ากาลังกวาดพื้นก็คือให้กลับมาอยู่ในปัจจุบันนั่นเองเมื่อเราสามารถกลับมาอยู่ในปัจจุบันเราก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาว่าขณะ น, นี้เรากาลังทำอะไรอยู่ก็คือกลับมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวของฐานกายนะเชนะ่นเราซักผ้าก็รู้ว่าขณะนี้กำลังซักผ้ามือก็กาลังซักเราก็รู้ในการเคลื่อนไหวเหล่านั้นนะก็กลับมารู้สึกตัว เมื่อกลับมารู้สึกตัวปั๊บนี่ก็ปรากฏว่าความคิดก็จะไม่ไปที่อื่นไกลนะก็กลับมารู้ว่าขณะนี้กลังซักผ้านะเพราะความคิดก็จะไปไม่ไกลนะแต่เราซักผ้าไปด้วยแล้วก็ไม่รู้สึตัวความคิดก็ไหลไปไกลนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันธรรมอนะ่ก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานะเพราะวิธีการที่เรามาไปบัตสึฟิจังวะนี้นะก็เป็นการเรากลับมา อยู่กับปัจจุบันธรรมหรือเป็นการรู้สึกตัวนั่นเองนะก็โดยอาศัยอุบายในการขึ้นไหวสิบจังหวะนี่แหละเพื่อให้เราอยู่กับปัจจุบันธรรมเพื่อเกิดความรู้สึกตัวนะและการที่เรายกมือสิจังหวะนี่ก็ไม่ใช่เป็นของที่ผิดปกติแต่อย่างไรนะเป็นการรู้ในการคู่แขนเหยียดแขนอาการเคลื่อนอาการไหวนั่นแหละก็อยู่ในข้อของ สัมชัญธยา บ, บพะนั่นเองนะเพราะฉะนั้นที่เราฝึก14จังหวะนี้จึงไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดจากพระไตรปิฎกนะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่แต่อย่างใดแต่เราได้ทําถูกต้องตามพระไตรปิฎกแล้วก็คือการกลับมารู้การเคลื่อนไหวในปัจจุบันหรือเรียกว่าอิริบฏบพะและสัมชัญธยา บ, บพะนั่นเองน ะ, ะต่อไปก็ในากายานุปัสสนาก็ยังมีต่อไปนะให้รู้ ในอปฏิกูลแบบพร ะ, ะก็คือรู้ในอาการสารยลูกสองอาการสารยลสองนี้ไม่ใช่คนหูหนวกตาบอดเกิดมาแล้วพิการอันนั้นอาการไม่ครบสามตัวนะั้นไม่ใช่นะแต่การสารย .2 ก็คือรู้อาการภายในภายนอกที่ปรากฏชัดขึ้นมาในร่างกายนี้นั่นเองนะเช่นผมคนและฟันหนังนะก็คือให้เรา รู้ไปตามความมันจริงว่าผมคนรฟันหนังนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์อย่างไรนะอันนี้เป็นสิ่งเราเห็นภายนอกนะเพื่อให้จิตใจเกิดความสลดในตรงนั้นนะเมื่อเกิดความสลดเราก็ได้ปล่อยได้วางร่างกายของเราได้ชัดเจนได้เร็วขึ้นเพราะนั้นในวันบวชนะในวันบวชเรวชาจะให้เกสาโลมาณขาทันตาตโจแก่กุลบุตรที่มาบวชทุกคนนะ พระถ้าไม่ให้ก็ถือว่าการบวนั้นไม่สมบูรณ์นะเพื่อให้เป็นกรรมฐานนำไปพิจารณาก็เพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายนะอันนี้เป็นสิ่งเราเห็นภายนอกนะแล้วนอก น, นั้นก็เป็นสิ่งที่เราอาจไม่เห็นในภายนอกแต่ว่าอยู่ในภายในนะก็คือเอาไว้ว่าภายในเกือบทั้งหมดเลยนะหัวใจตับปอด ม, ม้ามโลหิตน้าเลือดน้ำเหลืองทั้งหลายแหลที่อยู่ในกายเราทั้งหมดก็นามาพิจารณาได้ทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายก็คือร่างกายเราทั้งหมดนีนะ้เป็นสิ่งที่ปฏิกูลทั้งนั้นนะเขาเรียกว่าเป็นของที่โสบุกนะเมื่อเรานะพิจารณาได้ว่าเป็นของสสปกุกเราก็จะไม่ยึดติดในร่างกายของเราต่อไปนะอันนี้เพื่อที่จะใ ห, ให้ออกจากความยึดติดในร่างกายทั้งหมดนะต่อมาก็เป็นธาตุแบบพระก็คือให้พิจารณาว่ า, ากายนี้นะก็ประกอบโดยธาตุสี่คือธาตุดิน น้ำลมไฟนีเท่านั้นนะมาประกอบกันชั่วคราวสิ่งที่เป็นความแข็งแขร่งก็เป็นธาตุดินนะเช่นกระดูกหนังเนื้อ <c oughs> ต่างๆเหล่านี้น ะ, ะสิ่งที่เป็นความอเอือาบเคลื่อนไหวในร่างกายเราก็เป็นธาตุน้ำน ะ, ะก็มีเลือดอมีน้ำลายมีปัสสาวะ มีเงื่อต่างๆนะก็ในร่างกายเรามีธาตุน้ำอยู่นะมีธาตุลมนะก็คือลมที่เคลื่อนขึ้นเบื้องบนลงไปเบื้องล่างทั้งหลายแหล่นะในท้องก็มีลมนะบางทีเราก็เลอออกมานะอันนี้ก็เป็นธาตุลมที่เคลื่อนอยู่ลมหายใจต่างๆนะธนะาตุไฟนะก็คือธาตุความร้อนในตัวเรานะถ้าเราไม่มีธาตุไฟเราก็ตายทันทีนะเหมือนกับคนตายปั๊บเนี่ยไม่ทันครึ่งชั่วโมงก็ตัวเย็นแล้วนะ ธาตุไฟในมีทั่วไปหมดเราจะจับดูก็มีความอุ่นนะจับหน้าผากเราก็เห็นความอุ่นชัดเจนนะเอาประหลอดใส่ในลิ้นตายลิ้นคนไข้ก็ประหลอดก็ขึ้นสูงเลยนะอันนี้ก็เพื่อที่จะมาวัดธาตุไฟว่ามีมากหรือน้อยเพียงใดจริงๆแล้วธาตุไฟธาตุทั้งสีนี้เป็นเคล็ดลับวิชาสำคัญของแพทย์จีนนะแพทย์จีนนี่เขาเรียกว่ามีวิชาหนึ่งเขาเรียกว่าวิชาจับชีพจรหรือว่าการแม้ นะการแม้ก็เพื่อให้ดูว่าธาตุตัวใดที่มันอ่อนนะ่จะได้เติมทานนั้นให้เต็มนะอันนี้เป็นศาสตร์ที่ลึกลับเป็นพันๆปีแล้วแต่ทุกวันนี้ก็ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่นะนะก็เป็นการพิสูจน์ว่าเอร่างกายเรื่นี้มีธาตุสี่เท่านั้นเองนะไม่ได้มีมากมายรวมตัวกันชั่วคราวเมื่อเราตายก็ต้องสลายไปนะกลับไปสู่ธาตุทั้งหลายนั่นแหละจึงไม่ให้ตัวไมตนของเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะ ต่อไปก็เป็นอะายช้า9้าชนิดนะก็คือคนเราตายไปนะก็จะถูกนำไปไว้ที่ป่าช้าครนะาวนี้มันก็จะแสดงอาการต่างๆนะเช่นวันแรกๆก็จะตัวเริ่มเขียวคขานะเริ่มพองขึ้นมาเริ่มอืด น, นะนะต่อมาก็มีอาจจะมีแมงวันมาตอมก็หนอนก็เกิดขึ้น้วนะก็มากัดกินไว้ภายใน ต่างๆน้ำเหลืองต่างๆก็ไหลออกมามากมายนะมีสุนัขต่างๆมาแทะมาถึงนะร่ะางกายก็กระจะกะจายไปนะถูกลากลําไส้ออกมากินนะแม่งวันก็มาตอมหนอนก็เยอะๆเต็ไมไปหมดนะเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนนะต่อมาอหลังจากที่เริ่มเปื่อยหน้าไว้แล้วก็เหลือแต่กระดูกแต่ก็ยังยึดกันอยู่น ะ, ะต่อมาเมื่อเอ็นหายไปกระดูกก็จะกะจะกระจาย กระดูกเหล่านั้นต่อไปก็กลายเป็นกลายเป็นฝุน่นกลายเป็นผงแล้วโดนลมพัดหายไปนะในที่สุดร่างกายก็ไม่มีก็กลายเป็นฝุน่นแล้วก็โดนลมพัดหายไปนะก็เพื่อหเห็นความจริงในข้อนี้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเมตโตนึงนั่นแหละนะก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าอ่าสลายหมดสินส้นอ่าถูกพัดหายาไปนะไม่มีอะไรเหลือเลยนะอ่าในข้อกายนี้ก็ให้เราเห็นร่างกายตามความเป็นจริงว่าเขาก็เป็น อสภาวะที่เขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในตัวไม่ตนของเรานะต่อไปก็เป็นเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานนะก็ให้ ร, รู้อาการในความสุขความทุกข์หรือความเฉยเฉยนั่นเองนะก็คือสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขามาสุขเวทนาให้เรารู้ในสิ่งเหล่านี้นะแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงของเขานะ เพราะนั้นการที่เรายืนเดินนั่งนอนก็เพื่อจะแก้ทุกนั่นเองนะไม่จะทําเพื่ออะไรอย่างอื่นหรอกนะเรานั่งนานๆก็นั่งไม่ไดนะ้ก็ต้องแก้ทุกไปนะเปลี่ยนในระบบต่างๆนะเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราก็มีแต่การแก้ทุกแทบทั้งนั้นนะมีแต่ความทุกเกิดขึ้นทุกนั้นตั้งอยู่และทุกทั้งนั้นที่จับไปนะตรงนี้ก็ไดห้หันกลับมาเห็นความจริงว่าเป็นความทุกนะความทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะเมื่อรู้แล้วจิตก็จะ เกิดความเบื่อหน่ายที่จะออกจากความทุกข์ได้ะแต่ผู้ใดที่ไม่เห็นความทุกข์ผู้นั้นก็จะไม่เกิดการที่เราจะออกจากความทุกข์ขึ้นมาได้นะเราก็ยังติดในความทุกข์นั่นแหละอเพราะฉะนั้นบางทีเมื่อก่อนก็เคยชวนให้คนมาปฏิบัติธรรมเขาถามว่าจะไปปบัติไปทําไม <c oughs> บอกว่าไปปบัติแล้วความทุกข์ก็จะน้อยลงแต่ก็บอกว่าเขาก็ไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเลยนะอจริงๆแล้วก็คือคนส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นว่ามีความทุกข์หรอกนะ เพราะนั้นเมื่อไม่เห็นความทุกข์เขาจึงไม่หาทางที่จะออกจากความทุกข์นะก็ยังติดอยู่ในความทุกข์นั่นแหละแต่เขาเข้าใจว่านั่นคือความสุขของเขานะแต่ว่าเจ้าเวะุโสมบอกว่าอ่ามันไม่มีความสุขหรอกมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่และทุกข์เท่านั้นที่ดับไปก็คือให้ทุกข์ให้เราเห็นความทุกข์เนี่ยอ่าให้เรารู้จักความทุกข์นะเพราะฉะนั้นคนที่จะออกจากความทุกข์ก็คือต้องรู้จักความทุกข์ซะก่อนนะการที่เรามาปฏิบัติธรรมนี้นะ จริงๆแล้วคนส่วนหนึ่งนะผู้ที่มาบวชเป็นพระก็ดีเป็นแม่ชีก็ดีหรือผู้ที่อยู่วัดประจําในช่วงนี้ก็ดีนะก็ถือว่าท่านเหล่านั้นได้เห็นความทุกข์ในระดับหนึ่งแล้วนะจึงสละความสุขทางโลกมาเพื่อที่จะประพฤอไปบัติให้ออกจากความทุกข์ให้ได้นะอันนี้เป็นประเด็นสําคัญนะเพราะนั่นในเมื่อเรามีเวลาจริงๆแค่3วันเท่านั้นนะเราจะกลับมาเห็นไหมว่าชีวิตของเราเนี่ยมีความทุกข์จริงๆนะ แล้วเราจะต้องไปบัตรให้ออกจากความทุกข์ให้ได้นะการที่เราสามวันนี้นะเป็นสิ่งเราจะต้องม า, เ, าเขาเรียกว่าเรามีความทุกข์นี่เขาเรียกว่าเรามีโรคอยู่นะพระพุทธเจ้าได้ให้อะไรพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับเป็นหมอนะท่านได้ให้ยามาให้ยาก็คือธรรมะนะเมื่อท่านให้ยาเรามาแล้วเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะรับประทานไหมนะถ้าเรารับประทานเราก็จะออกจากความทุกข์คือเราจะหายโรคได้นะแต่ถ้าเราท่านให้มาแล้วเราไม่รับประทาน ก็คือเราจะไม่หายจากความความเป็นโลกต่างๆเหล่านั้นนะก็คือโลกทุกใจนั่นเองนะก็ใ น, นเมื่อท่านให้มาแล้วอยู่ที่เราจะรับประทานหรือไม่รับประทานก็อยู่ที่ตัวเราเองแล้วนะเป็นสิ่งเราบังคับใครๆไม่ได้นะต่อไปก็คือจิตตามอุปัสนาสติปัฏฐานนะก็คือการที่เราตามรู้จิตใจตามความเป็นจริงนั่นเองนะก็คือมีราคาก็ให้รู้มีราคาไม่มีราคาก็รู้ว่าไม่มีราคา มีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะไม่มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะไม่มีโมหะก็รู้ไม่มีโมหะจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตฟุ้งซ่านจิตตั้งมัน่นก็รู้ว่าจิตตั้งมัน่นก็คือให้รู้จิตใจไปตามความเป็นจริงนั่นเองนะก็คือให้รู้อาการของจิตนะที่มันไหลไปในลมต่างๆนะการที่เราจะรู้ว่าลมต่างๆหรือรู้จิตนั้นนะเป็นสิ่งที่ดีมากนะ แต่ว่าการที่เราจะรู้น่ะเขาเรียกว่าเรารู้เป็นไหมนะถ้าเราไปตั้งใจรู้นะอาพูดในปัจจุบันนี้ก็ใช้คำว่าดูจิตนะว่าเราดูจิตเป็นไหมนะถ้าเราดูไม่เป็นเราก็จะไปเพ่งไปจ้องไปคอยตะคุบนะไปคอยอตั้งหน้าตั้งตาดูเขาอันนั้นก็จะเกิดอาการมึนหัวตามมานะเกิดความไม่ปกติทางใจตามมานะเกิดความเครียดนะเพราะนั้นเ ร, เรียกว่าเราเราดูจิตไม่เป็นนะ การดูจิต น, นั้นเราไปตั้งใจดูไม่ได้นะแต่เราต้องอาศัยการดูผ่านทางกายนั่นเองนะเพราะฉะนั้นการที่เรามาฝึกเจริงสตินี้โดยจุดประเด็นสูงสุดแล้วก็คือการที่เราเข้าไปดูจิต น, นั่นเองนะแต่ว่าเราจะไปตั้งใจดูจิต น, นี่นไม่ได้นะเพราะน ว, วิธีหลวงม่อเทียนจึงมาว่าอย่าไปยุ่งกับจิตใจนะให้มาอยู่กับฐานกายให้ได้ก่อนนะอยู่กับฐานกายนี่แหละเพราะว่าการที่เราฝึก ในการเคลื่อนไหวสืบรีจังหวะก็ดีเดินจงกรมก็ดีก็เพื่อให้อยู่กับฐานกายนะฮะใการเคลื่อนไหวเนี่ยมาเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานะเมื่อเกิดความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยเราจะสังเกตจิตใจเป็นนะเพราะว่าเมื่อสตินะมันเร็วเท่ากับนะสตินี่มันจะเร็วเท่ากับอารมณ์หรือความคิดแล้วเนี่ยจะทําให้ความคิดเนี่ยหยุดได้นะก็คือเราจะรู้ทันความคิดได้เร็วจากการที่เรามีสตินั่แหละ จะรู้ทันความคิดต่างๆได้เร็วเมื่อรู้ทันความคิดแล้วความคิดก็จะหยุดได้นะอเพราะฉะนั้นเทคนิคหลวงพ่เทียนจึงบอกว่าให้เห็นความคิดนะแล้วก็ไม่เข้าไปในความคิดแต่ว่าไม่ห้ามความคิดเหล่านั้นนะประเด็นสําคัญอยู่ในตรงนี้นะไม่ห้ามความคิดด้วยให้เห็นความคิดแล้วก็ไม่เข้าไปในความคิดแล้วก็ไม่ห้ามความคิดเพราะนั้นถ้าใครไม่เข้าใจก็เห็นแล้วมักจะไปห้ามความคิดอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะ เพราะนั่นไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องนะอันนั้นอาจจะผิดที่หลวงพ่อเทียนพูดเอาไว้เลยนะเพราะนั้นเป็นการเรื่องเล่าว่าไปบังคับจิตใจเขาให้เป็นไปตามที่เราต้องการนะกลายเป็นสมถะไปหมดนะการบวชทมก็คือให้รู้ธรรมะตามที่เขาเป็นไม่ใช่อยากจะให้เขาเป็นตามที่เราต้องการนะเพราะให้เป็นตามเราต้องการอันนั้นก็คือสมถะแล้วนะแต่การที่เรารู้ตามที่เขาเป็นนั่นหลกคือวิปัสสนากรรมฐานนะ รู้ไปตามความเป็นจริงในอาการต่างๆของกายและใจนั่นเองไม่ได้ไปบังคับเขาเมื่อเรารู้แล้วก็แค่รู้เฉยๆก็พอไม่ต้องไปบังคับให้วก็ยหยุดตามที่เราต้องการนะให้หยุดตามเราต้องการก็เป็นสมถะอีกเพราะเราไปบังคับบัญชาเขา้าแล้วถ้าเราบังคับบัญชาเขาได้ก็เกิดความเป็นตัวตนแบบตาขึ้นมาอีกเนาะเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยว่าเอออย่าไปอยากอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีตามที่หลวงประเทียนบอกเนาะ เพราะว่าการมาทธรจริงๆก็คือให้รู้ตามที่เขาเป็นจริงๆนั่นเองนะเมื่อรู้แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเขาก็คือรู้เฉยๆนะอ่าอันนี้ก็ไม่จะมาตรงกับวิธีการลงพ่อเทียนเลยในข้อที่2ว่าให้รู้เฉย ๆ, ๆเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นในเรื่องจิตตันฑ์ปััชนานี้จึงเป็นสิ่งที่ว่าเรารู้จักจิตของเราตามความเป็นจริงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็อาใส่อาการที่เราไม่ไปเพ่งไม่จ้องเขานี่แหละเราจะเห็นจิตตามความเป็นจริงนะ อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะอาการที่เราจ ะ, ะละกิเลสทั้งหลายแล้วเราต้องรู้ในกิเลสเราที่เรามีซะก่อนนะอะเช่นเราเป็นคนโกรธเนี่ยเรารู้ไหมว่าเราโกรธนะถ้าเราไม่รู้เราโกรธเราก็เจาจากความโกรธไม่ได้นะเพราะงั้นการที่เราไปปฏิธรรมก็คือกลับมารู้จักตัวของเรา <c oughs> ตามความเป็นจริงนั่นเองนะรู้ว่าเราเป็นคนนิสัยอย่างไรนะเป็นคนขี้โกรธขี้น้อยใจอขี้ฉาขี้หึงหวงนะขี้เหงาขี้กลัว ทั้งหลายแหละนี่เรารู้จักตัวเราเองดีพอไหมนะอบางคนนี่ขี้โกดก็ไม่รู้เป็นคนขี้โกดก็มีนะออันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะเหมือนกับเราเนี่ยจะละสิ่งใดต้องรู้เกยวสิ่งนั้นให้ชัดเจนก่อนเราจะละได้ง่ายนะเหมือนกับคนอ่าคนบ้านนี่แหละถ้าเขาไม่รู้ว่าเขาบ้าเนี่ยมันก็ไม่หายบ้าหรอกใช่ไหมแต่วันใดที่เขาเริ่มรู้ว่าเขาบ้าแล้วเนี่ยอ อาการบ้าเหล่านั้นก็จะน้อยลงหรือจะหายไปในที่สุดนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักกิเลสเราให้ชัดเจนนะถ้าเราไม่รู้จักกิเลสเราเราจะละกิเลสเราเนี่ยยากมากและละไม่ได้เลยนะก็คือให้เรารู้จักจิตของเรานี่ให้ให้ชัดเจนนะว่าเราขณะนี้เรากำลังโกรธกาลังรักกำลังชังนะเมื่อเรารู้บ่อยๆแล้วนะแค่เรารู้บ่อยๆเขาก็จะน้อยลงไปเองนะเราไม่ต้องไปละเขาหรอกเพราะการละกิเลสนี่ละไม่ได้นะเรามีหน้าที่รู้เขาเท่านั้นเองนะจากการรู้นี่แหละ เขาจะละเขาเขาได้เองนะเพราะนั้นการที่เราฝึกนี้มันก็คือแม้แต่เราฝึกทางกายแต่เรากลับมารู้ทางใจได้นะรู้ทางใจนะ่ะหลวงเทียมบอกว่าอาเมื่อเรารู้เท่าทันจิตของเราแล้วนะในที่สุดนะจิตก็จะไม่ไปปรุงแต่งต่อนะไม่ปรุงแต่งต่อเป็นความโลภความโกรธความหลง อันนี้จึงเป็นการถ่ายถอนอกิเลสหรือถ่ายถอนอุปทานนั่นเองนะก็คือเป็นการย้อนเข้าไปในต้นต่อของสมุทยัยย้อนเข้าไปในสมุทฐานของโลกทั้งหมดก็คือรูปโลกนามโลกนะย้อนเข้าไปเห็นนามโลกนะว่าไอ้นามโลกนี่แหละคือใจมันมีโลกอยู่ก็คื อ, อโลภะโทสะโมหะนี่แหละก็คือนามโลกนั่นเองนะ เมื่อเรารู้ทันความคิดเราก็จะรู้จักสมุทฐานของโลกนะก็เกิดจากกิเลสทั้ง3าตัวนี่แหละเมื่อรู้แล้วนะมันก็จะดับเองนะจากการที่เรารู้ทันความคิดนั่นเองนะเมื่อรู้ทันความคิดก็ไม่ไปปรุงแต่งต่อนะอันนี้แหละเป็นการรักษานามโลกไปในตัวนะเพระเาะฉะนั้นวิธีการที่เรามาไปบัด น, นี้ก็เป็นการรักษาลูกประธรรมนามธรรมหรือรูกประโลกนามโลกก็คือกายลรใจให้ออกจากความทุกข์นั่นเองนะรักษาถูกต้องก็คือ รักษาใจของเรานั่นแหละให้ใจของเรานี่ออกจากความทุกข์ให้ได้ในชาตินี้นะชาติหน้าเราก็จะได้ไม่ทุกข์อีกนะ <S <s ข้อ น, น, น, นี้ก็มาในข้อของอธรรมานุบัสสนาสติปัฏฐานนะก <s> ็มีให้รู้จักอาริ <S <s ยสัจี่ขันห้าอายตนะหกโพชงเจ็ดต่างๆเหล่านี้นะให้รู้ตามความเป็นจริงของเขาถึงการมาการไปของเขานะ ในสุดเมื่อเห็นแล้ว ก, ก็จะเห็นว่าเขาเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็ดับไปเองนะเห็นสภาวะความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของธรรมะต่างๆอย่างที่ว่ามานะเช่นนิวรห้ก็เช่นความง่วงเป็นต้นนะรู้จักความง่วงไหมนะรู้จักความง่วงไหมนะเห็นการมากันไปของเขาไหมนะการไม่ฉันทะก็เหมือนกันนะให้รู้ว่าเขามาอย่างไรและไปอย่างไรนะก็คือให้เห็นตามความเป็นจริงว่าในสุดเขามาแล้วก็ก็ไปนะเพราะฉะนั้น ในสติประฐานทั้งหมดนะก็เพื่อให้กลับมารู้จักกายและรู้จักใจตามความเป็นจริงนั่นเองนะเมื่อรู้จักแล้วก็จะเห็นว่าเขามีแต่ความความทุกข์นะความ โ, โปกนะเป็นสิ่งของที่ไม่เที่ยงนะมีความแปรปวนไปเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวเมตต์นยึดมั่นถือมั่นไม่ได้นะบังคับบัญชาไม่ได้นะเมื่อเราเข้าใจในเช่นนี้แล้วจิตก็จะเกิดความเบื่อหน่าย เมื่อเบื่อหนายก็เกิดการคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดก็หลุ ด, ลดพ้นเมื่อหลุดพ้นเราก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นการเรามาเจริญสติปัญญาสี่จึงเป็นขนทางขนทางเอกนะหรือเอกกายยะโนมาโคที่ให้เราออกจากความทุกข์ทางใจได้จริงๆนะเมื่อเราออกจากความทุกข์ทางใจในชาตินี้แล้วนะชาติหน้าเราก็จะไม่มีทุกข์อีกและนี่แหละคื อ, อพระนิพพานนะที่พวกเราจะต้องก้าวถึงไปในชาติปัจจุบันนี้ให้ได้เนาะ เพรา ะ, ะนั้นโดยท้ายที่สุดนี้แล้วก็ขอรัตนาบารมีคุณพระตะไครให้พวกเราทั้งหมดที่อยู่ในที่นี้ให้มีดวงตาเห็นธรรมและถึงซึ่งสัจธรรมถึงซึ่งความพุนทุกได้ในชาตินี้ทุกท่านเทิน